ให้แม่นะครบับครบับครบัว่าขนาดแค่ปลูกนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือก่อนปลูกอ่ะปลูกแล้วก็นึกถึงพระเจ้าโดดป๊บไปเชือกรัดคอมันก็ดิ้นตายยังไงไงไปสวรรค์นแน่นอนโออย่างงี้จะตายแบบไหนก็ได้แต่ถ้าภาวนาพุโทโธไปสวรรค์ได้ไปได้แน่นนโอ้สะดวกหน่อยอย่างนี้บางทีผัวเมียทะเลาะกันเออขายเชือกนะยเชือกอะไรครับพ่อเชืกอกผูกค อ, อตาย ที่ไหนอะเขียนยานขายสิเขียนเชื่อกฟุตโต้รับรับประกันด้วยรับประกันถ้าตายได้เชื่ออันนี้ไม่ไม่ลงได้ลงไม่ลงแน่ลงไม่ลงเพะต่อว่าไม่ได้การที่หลวงพ่อคะหนูตอนแมวตอนหมาให้เป็นหมันอย่างนี้จะบาปไหมคะไม่บาปแน่ ก็หน right ูไปตอนแมวนี่หนูอไม่บาปกติชนี้ก็ไม่แบโทษนะเดี๋ยวเดียวพ่อทำไมนี่นี่คนถามนะหนูคนนะพ่อไอ้หนูคนถามเขาถามร่้หนูไปตอนแมวใช่ไหมอ๋ออ๋อไอ้หนูตัวนี้กล้าเลยอเล่าอ๋อเราว่าไปตอนแม่ได้ตัวตัวเลกนี่บางอา เอ้แต่ยช่วยเราจสีได้ <SA> น <ism cosine Clerk |nospeech|> ่ะอ evet. ๋อความจริงตอนแม่ตอนหมานี่ในสารุสงเคราะห์ครับท่านปรับโทษไปนะอ๋อมีโทษมีบาปมั้งนะถ้าตอนสับตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ถูกทําลายเพศถ้าเกิดมาเป็นคนถูกตอนเนี่ยสมัยนี้ตอนง่ายมากเลยเคยเคยตอนสับมท่านน่ะใช่อ๋ออ๋อเป็นเป็นบาปเหมือนกันนะครับ ก็ก็าบอกทีก็สัตว์มันไม่ได้บอกให้ตอนมันนี่มันเจ็บวมันเจ็บอ๋อแล้วทีนี้หนูเห็นว่ามีลูกมากแล้วเลยตอนสามีอย่างนี้จะบบเจเจ้าใช่ไล่ใช่ไล่ให่ไล่ฮ้อๆ่าฮ่าเสี้ง้ร อันนี้แสดงสามีเลยตอนสอบทุกวันไม่ถูกตอนไม่ไป็นไรแหละตอนสามีคืออะไรครับข่าวแม่เขายอมให้ตอนข่านข่าว้ว่าสัตว์จะมาไม่ยอมให้เราตอนเราวังคัดการตอนเขาวถึสามีก็ไม่ไดเห็นมีลูกมาเรียนไม่ไหวไว้ตอนเอนเอนตกลงไม่เป็นไร นี่เป็นมหาภูษน์นะใช่มหาภูษณ์ครับครับครับแล้วสามีเนี่ยคนเนีตอเคยตอนสัตว์มันไม่ใช่ก่อนแน่ที่ถูกตอนชาตินี้ลองคิดเป็นกรรมเก่าไปเลยนะอย่างฉันเนี่ยไม่เคยตอนสัตว์ชาตินี้ไม่เคยถูกตอนเลยอหลอดใจได้ถ้าไปบวชต้อกัน่ารู้ไม่รู้ใครตอนใครเหมือนเอ่ออ่าเป็นอย่างนี้เจ้าข่ะ มีคนอื่นชอบทำให้ดิฉันเป็นทุกข์บ่อยๆว่าเสียรสีกระแทกแดกดันเป็นต้นเอาหลาอย่างครับ <c oughs> มันเข้าไปข้างบ้านนะใช่ๆดิฉันก็พยายามพยายามถวายสังฆทานบ้างโอทุทส่วนกุศลไปให้นานๆจะหายกระแทกแดกดันไหมเจ้าคะไม่หาย อดทนไว้ก <unlucky> ่อนนะครับครับไม่ชาก็หาไม่ชาเย้คนนั้นก็ก็ตายอ๋ออ๋อรอยวคนนั้นตายก่อนเนี่ยเี่ยานะ่ยถ้ว่าถวายฉันให้ทานตั้งจิตอิคนสนจริงอุทิศส่วนตนให้ให้เนี่พังจริงๆนะอาทําไมเป็นงั้นไงไอ้พงแกนเน่ะพังจริงๆนี๊เป็นไปได้เหงื่อเลยครับพ่อเป็นไปได้เยอะแล้วอถ้าแผ่เตทีจิตให้อุทิศส่วนนให้นี่ถ้ายังขืนทําอยู่ไม่ชาหนัก ถ้าบุญเก่ายังช่วยอยู่ก็ยังทรงตัวอยู่ได้ถ้าบุญเก่าอ่อนกำลังลงมาเลยกพับมานั่นนะ่ะเอ๊ยอย่างนั้นป้าผมนี่สงสัยจะได้ผลเนาะทำไมเลยคนข้างบ้านไม่ถูกก็แกแกก็ไปสายบาทเสร็จแล้วแกก็บอกพุทธังบาลัยยะจักคำมังบาลายยะ <c oughs> ทั้งข้างบาลายยะจักเนี่ยนะทำไมอ้าวก็มาลายจริงๆเลยครับแค่เป็นลาป้าผมอ๋อโ แกไ่่งเาบ่ไแช่งเราพูดว่าธรรมมังพูดทาเอยจากพุทธเจ้ามันเลยพาดทงอะไรจากธรรมมันเลยั้งาไม่สมัสงมัันไรแกก็มันเลี่เียวจริงจีน้าเราพวกเราหอกขี้ควบานอันี้สงไม่ตามานี่นะอัีถ้าเรไม่ต้าได้จริงๆนะกล้าๆแต่ว่าหาว่าคนนั้นยังไม่เลิกเปศัตรู อ้าบุญเก่ายังช่วยอยู่ก็ยังทรงตัวอยู่ได้ถ้าบุญเก่าอ่อนกำลังล้มอะไรก็อย่างเลวๆที่สุดก็อำมาภาตครบับดิฉันไปตามวัดบางแห่งเห็นมะละกอขนุนมะม่วงมันสุกก็ลลยหยิบเอามากินนึกได้ว่าเป็นของสงฆ์แต่มันลงท้องไปซะแล้วเก๋าจริงจริงอย่างนี้ ลิฉันจะทํายังไงดีเจ้าค่ะโอ้ลงทองเวลาหลวงพ่อนะนี่ยังมีการจ่ายคืนได้นะทํำยังไงหลวงพ่อครับเวลาทายอจาระมาดีเอาจาระไปคืนวัดโอ้ให้าไระอุจาระเมื่อพระจะสนุนอย่างเดียวข้าวปลามีเสร็จอบวกไปน่ะเลยแถมโอ้ไอ้นี้ก็ชําระนี่สงใชําระนี่สงนี่สงเราก็ตั้งบัตรไหว้พระดูว่าขนุนเรามาเท่าไหร่ เมราะว่าขนมมาหนึ่งลูกลูกราคาเท่าไร่ใช่ไหมครับตัวเรือมัเอาปะตังเท่านั้นไปถวายพระบดฉันคอยชั้นคอยชั้นนี่สูงแล้วขนมวัดคนไปกินอ๋อแค่นั้นก็หมดเรื่องของเรือไทยนี่สูงไปได้ไทย่สูงไปเลยคครรัับบหลวงพ่อเจ้าขาดิฉันเอาเงินในบาทวิละทโยไปเล่นหวยเขียวจําไม่ได้ว่าเอาไปกี่ครั้งอย่างนี้จะทำยังไงดีเจ้าขะ เล่นต่อไปวัตถุละวันที่หนึ่งก็เแบ่งครึ่งออกมาออกไปก็ไม่รู้อีกครับผมายเอาบ่อยนะเจ้าเอาไปท่านจําไม่ได้เลยมาแล้วไอ้นี้สสุมไอ้นิสสุมแล้วแต่ความจริงอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นขโมยนะครับเราคิดว่าเราจะถวายพระแต่มันยังไม่ถึงพระพระยังไม่รับประทานใช่ไหมเงินนั่นยังเป็นสิทธิ์ของเราอยู่ยังไม่ถือเป็นขโมยหรอก ถ้ามันเสียสัยจจะไปหน่อยอ oh. ่าลาบจะมาก็ถูกตอนลาบลาบถูกตอน oh. อ๋อไอ้อย่างนี้ก็ต้องพยายามใช้ใช้นี่สงอย่างตำลากา็ไม่ถึงไข้ของสงนี่อเพราะยพระยังไม่รับปเกณฑนยังไม่ถือว่าเป็นขข้ของสงอ๋อไ oh. งท่านมีใครมีบาตรมีละเทโยขัดข้องก็เอาไป่อนได้นะ <laughs> เอาเอาเงินปลืกไปแล้วแบงใส่แทนนะ อ๋อมีอย่างนี้ด้วยอันนี้ความจริงครัไม่เป็นไรยังไม่ถือบาปครับครับความจริงอาไปก็จบจนก็นึ่เดนแล้วไปจบจดยอดว้จดยอดถ้าเรามีเมื่อไรก็มาทำละคืนอเรื่องไปอ่าตอนนี้ก็สบายใจครั้งหนึ่งเดชันนั่งมโนมยิทธิไปที่พระนิพานเห็นภาพตัวเองนั่งอยู่บนดอกบัว ไม่ทราบว่าอยา่างนี้จะเป็นการปรามาสหรือไม่เจ้าคะนี่เดี๋ยวก่อนเห็นท่าตัวเองนั่งมาดูวัว น, น้่งนุ่งผ้าหรือเปล่าโอ้การนั่งมีหลายท่า น, ะนายท่าท<อ>่านั่งไม่นุ่งผ้าบาปน้อยเน้ะหนักมันน้อยลง<อ>นุ่งผ้าผ้ามันหนักมากบาปมากบาปมากไหมะแต่ความจริงไม่บาปเลยที่ว่าก็บาปเลยบา ป, บาป การเห็นพ่อตนไปนั่งที่ไหนว่าตามเพราะว่าจิตขนาดนั้นน่ะมันไม่มีกิเลสแล้วเฉพาะเวลานั้นนะครับาขนาดใดถ้าประจิตไปถึงนิพพานมันจะสิ่ง้นกิเลสไม่มีแต่ตอนนั้นหนึงไปได้นั่นถือว่าเป็นบุญใหญ่จะไปนั่งที่ไหนนั่นเป็นเรื่องบุญเพราะเราเคยสร้างมาไม่เป็นไรอ๋อคราบครับม <นะ S 1> ันก็แสดงว่าคนนี้ดีมากดีมีมากดีมากแต่ว่าทางนี้ดีนะควรจะทำอย่างไรอะก่อนจะไปแก้พ่อซะก่อน อย่าอย่าเอามำนี้นะหมือใครก็เปิดประตูมาเจอก็หมดเลยกรามฐานแท้เลยเออถ้ามีอะไรต่อไปไหมหรือเวลานี่สิบนาทีมีอาชีพในการส่งงูเป็นไปขายในต่างประเทศเพื่อเป็นอาหารดิฉันแนะนำว่าอย่าทำเลยมันบาปแกก็บอกว่ากูกินบ้างถวายพระบ้างนี่หว่าอย่างนี้อยากจะเรียนทราบว่า มาปับุญนี่จะเท่ากันหรือไม่แล้วเวลาตายจะได้รับผลเป็นประการใดเหลียวแต่พระเท่ากันหรกอเปล่าที่เราท้งไว้สงสัยพระคงจะได้น้อยกว่า <c oughs> มันก็ไม่เท่ากันนะพีอวัตถุไม่บริสุทธิ์ อ, อย่าลืม น, นะถ้าบุญจะได้มากมนึ่ผู้ให้บริสุทธิ์สองผู้รับบริสุทธิ์สามวัตถุบริสุทธิ์จริงอยู่มีในสงฆ์มากใช่ไหม ครับอันนี้ผู้ให้เอาสับเป็นไปขายนี่ผู้ให้ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับแต่เอาเนี้เอาปัจจัยมาถวายพระปัจจัยนั้นไม่บริสุทธิ์ราพพระผู้รับบริสุทธิ์หรือเปล่ายังไม่แน่โอ้ภาพรพระบริสุทธิ์ก็เป็นว่าได้หนึ่งในสามครับใช่ไหมภาพรับไม่บริสุทธิ์ล่ะทังเลยโอ้โหอันนี้พระบริสุทธิ์ก็ืไม่รับได้ก็กำเนิดถวายเป็นสังฆทานไปเลย อ๋อตัดปัญหาไปเลยนะถ้าตวาเป็นสัญชาติเนี่พระจะบริสุทธิ์ถไม่บริสุทธิ์ก็ตามอริสงสมุนแบบแต่ว่าพระพัวไปใช้ไปกินนั่นแหละอาจจะลงนรกก็ได้เปเรื่องของท่านเราไม่ต้องห่วงนะการสวดพระพุทธมนต์และวิริยโยเสียงดังดังกับภาวนาในใจเงียบเงียบอย่างนี้จะมีผลเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันแน่นอน ขอยืนยันแล้วจะต่างกันยังไงลุงพ่อต่างกันได้สวดดังๆเหนื่อยมากนึกในใจเหนื่อยน้อยอ <c oughs> แต่ว่านี้สงไม่ได้ความพอใจนะถ้าว่าสวดในใจใจมันไม่สบายจิตใจไม่นแม่งคงแล้วก็สวดมันดังจิตใจไม่คงอันนี้ก็สวด ด, ดังดีกว่าแต่ว่านึกในใจจิตใจมันคงกว่าวก็สวดในใจดีกว่าใช่ไหย เอาให้ความสบายใจเป็นสาคัญนะถ้าโวยห้ยดังมากเกินไปนะดังมากเกินไปปเดี๋ยวเสียงไพร์นอกมาอ๋อถ้ไม่แล้วท่านพ่อถ้าไม่เสียงด่าก็เสียงรดอีกอ๋ออันนี้สงตามนะใช่สงตามครับอเออัปปูดีๆก็แล้วกันนะอัปปูดีๆดีกว่าครับนั่งสมาธิพระกรรมฐานไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไร หนึ่งนาทีปังหนึ่งนาทีปังและหนึ่งนาทีปังให้ฟังจะเปรียว่าอะไรนะเลยสงสัยพวกอยู่กว่างล่ะคับ <laughs> ดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรอนั่งค <N ung S 2> ืนต่อๆอไปก็หนึ่งนาทีปังหนึ่งนาทีปัง <laughs> อันนี้เป็นเพราะอะไรคารับแม่วันนี้อร่อยเลยอันนี้อันนี้ฉเคยโดนเหมือนกันนะ เราหลวงพ่อเคยโดนกันเหรอครับเคยโดนแต่มันไม่ปังบอมปังดังมากเหมือนเสียงพุเลยโอ้ไม่ใช่เลยว่าถ้าได้ินเสียงแบบนั้นนะเวลานั้นจิตเป็นอุปจารสมาธิครับนถ้าจิตเป็นอุปจารสมาธิสูงมากจรดินชัดมากอุปจารสมาธิน้อยก็ดินชัดน้อยครับเพราะถ้าจิตเป็นอุปจารสมาธิเนี่ยเวลานั้นจิตมีอารมณ์เป็นทิพย์ ถ้าในเมื่อจิตมีอารมณทิพสามารถยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้ไอตัวปังปังเนี่ยเขาพิสูจน์เราว่าแน่หรือไม่แน่อโดยมากเป็นเกียรติปาชน์เช่นจ้าตุภาราตก็จะภูมิใจในความดีของตัวนะเออพอปังนี้พังดีนะปังดีแับปังอุติปังไม่ดีให้รียแก้ไขอต่อไปในขณะที่กาลังนอนป่วยอยู่ จ็ดก็จับพระนิพพานเป็นอารมณ์บังเอิญหมาแมวกัดกัน <c oughs> ฉันก็ด่าไปว่าไอ้ที่หายตายหง <c oughs> <อ>ตูกำลังจะไปนิพพานเพื่อถ<อ>ัด ค, คอยอยู่ได้ <c oughs> สมมติว่าตายไปในขณะนั้นจะไปยังไงเจ <c oughs> ้าค่ะการระบายอารมณ์นะ<อ>แบบนั้นก็ถือเป็นการระบายโทสะออก อาจจะไปนิพพานก็ได้นะพออาจะนะเอาอาจะนะแต่ว่าถ้าเนื้อแท้จริงๆถ้าตายเวลานั้นลงนรกแน่นจิตเศร้าหมองอจิตเตสันติเถรทุกติปฏิสังขาปรปฏิสังขารับก่อนจะตายถ้าจิตเศร้าหมองแล้วตายเวลานั้นไปอบายอย่างุ่ทันท<อ>ีอหรือหลังหมาแมวไก่กัไว้ไหนุ่ยตามที่ชอบกามีชอบนะ ล, ลูกนะอ แล้วแม่จะไปนิพพานจ้าข อ, อพูดเขาดีๆนะโอ้อเราจะได้ไปไปดีๆง ด, ดีใช่พ่อแม่ของพระโยคาวจรจะได้อานิสงส์เหมือนกับเราบวชคนอื่นไหมคะออนี้บวชคนอื่นอานิสงส์จะเหมือนกับลูกตัวเองหรือเปล่านัเนี่ยพ่อแม่พระโยคาวจรคาไหนก็นไม่รู้เนี่ย ถ้าคําว่าพโยคาวะจอนี้ก็หมายถึงคนเจริญพระธรรมฐานในญาิโยมนะถ้าพระที่บวชธรรมดาธรรมดาทขาไม่ได้พโยคาวะจอ่ญาณโยมที่นั่งทุกคนเนี่ยถ้าเป็นั่งเจริญพระรรมทานท่านเรียกพโยคาวจอนทั้งหมดครับเนี่ยพอเริ่มทําสมาธิพอจิตระงับจิตวอนได้พอคนรพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเริ่มเป็นแคะข้าวพระนี่เราผู้บวเสดใช่ไหม ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายที่นั่งที่เนี่ยข้าพอใจในการเจริญส ม, มาถะกรรมฐานนิาาัพสนากรรมฐานอันนั้นพระพุทธเจ้าสุริยพระโยคาวาจารณเลยอ้ครับครับตอนนี้ท่านเขาจะหมายความลูกของท่านบวชใช่ไหมครับแล้วการลูกของท่านบวชถ้าลูกเรืยกลูกเป็นพระโยคาวาจารณก็แสดงว่าลูกเนี่เป็นพระที่เจริญกรรมฐานครับแต่ความจริงจะเจริญหรือไม่เจริญก็ตาม ถ้าบวชลูกของเรากระบวสลูกคนอื่นอนิงสงศ์ไม่เท่ากันหรอกโอ้ควรลูกคนอื่นถ้าเราเป็นเจ้าภาพมีสงเป็นเทวดาหรือพรหมทีมมสองกับครับครับถ้าแค่เราช่วยเฉ ย, ยๆเขามีงานบวชพระกันเราไปช่วยเก้าบาทสิบาทห้ า, าลิงเพิ่นฝันงที่ห้าสิบตังนะครับครับแต่ไม่ได้อิงสงศ์เพียงแปดกับถ้าบวชลูกเราเองมีอิสงศ์สามสิบกับมันต่างกันโอแล้ะก็ถ้าบวชลูกคนอื่นจิต เ, เราต้องบวชนา ถ้าว่าย <ô> ินดีด้วยไอ้สงก็ไม่ได้ถ้าลูกเราไปบวชที่ไหนก็ตามเรารู้หรือไม่รู้ก็ตามเขาบวชแล้วเราได้ทันที๋อททำไมลูกหลวงปู่ปานวัดบางนองโคจึงมีหนวดเจ้าค่ะบอ้รูปคงจ no นะเป็นรูปถ่ายไอ้ที่หลังข้างหลังฉ้นนันไม่มีหนวดนี่จะวัดเดียวหรือเปล่าน่ากะคยรจคนละวัดมั้ง โ oh. เดี๋ยวก่อนเคยเห็นภาพร้อยปีที่เขาถ่ายออกมาที่เขาติดมานะครับครับแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่า ท, ทําไมจึงมีหนวดยาวมันก็เคยอยู่กับท่านมาไม่เคยเห็นท่านมีหนวดเนาสมัยหลวงพ่ออยู่ไม่มีไ ม, ไม่มีไม่มีเพราะว่าบาลี่เครื่งคัตจะมีไหนมากที่ ว, ว่าหนึ่งเล็บเอาไว้ยาวเกินไปเลยเนื้ อ, อมาจังตัดทันที เพราะว่าเพื่อเจ้าสมปรารถนาใช่ไหมปรับเป็นโทษใช่ไหมครัครั บ, รบและรายการอีกสองหนวดเนี่ยต้องโกนพร้อมกับผมอตาวินัยใช่ไหมครับครับว่าถ้าปลงผมเมื่อไรก็ต้องโกนหนวดเมื่อ น, นั้นเมื่อก่อนนี้สิบห้าวันขูดทีหนวดจะยาวได้ไงฮะอ๋อทีนี้เดือนแต่ความจริงใอ้การปลงผมได้กําหนดไว้ว่าหนึ่งผมยาวไม่เกินสองนิ้วต้องโกน ถ้าจะเกินสองนิ้วนะครับแล้วโการในสองนั้ผมยาวไม่ถึงสองนิ้วถ้าถึงสองเดือนต้องโกนใช่หมครับนีภาพนั้นฉันเห็นนี่ก็แปลกใจจนจว่าทําไมจะมีหนวดหรือว่าช่างจะมาเขียนเติมที่หลังอนอะหรือวหนวดจะงอกมาเองได้ครัวหนวดจะงอกเวลาเขาถ่ายภาพไะโอ้เป็นปฏิหารไปเลยนะใช่ใช่ให้ลืมเพราบานท่านไปรู้พระทีศักดิ์นะโอดีไม่ดีจะบันดาลให้หนวดออกมาเลย อ๋เหลือเวลา13นาทีครับครับหนูใช้ขาถาอย่างนี้ได้ผลดีเจ้า ค, ค่ะเดิมทีก็ใช้วิระทายวิรโคณนยังต่อมาเปลี่ยนเป็นหลวงพ่อวิระถาวโรวิรโคร <laughs> เพราะว่าหลวงพ่อยังเป็นเป็นอยู่เยอะกว่าธรรมดาเจ้าค่ะอ๋อจริงๆก็ไปช่วยได้นะข่าวข่าวเออเพราะจริงพระเจ้าเป็นนิพพานหมดแล้วนะคุยช่วยยากแต่ว่าจริงแค่เราต่อทายแล้วก็อยู่ไกลไมด้วยอันเก่าอัเก่าเขาไม่ไม่ได้ทิ้งนี่อ๋อขึงขึ้นมานิดหนึ่งก็เหมือนกับโมทายะกับโมทายะอ๋อไม่แย่ไม่แย่อมีสมัยก่อนในเรื่องจริงๆเขาเราเป็นนิทานนะแต่ความจริงมันเรื่องจริง คนที่เข้ามาบวชไม่รู้เรืงสีใช่ไหมปราบอาจารย์ให้ภาวนาว่านโมทายะภาวนาที่ท่านเวลาอาจารย์ไปหยิบเป็นยอดเขาไม่ใกล้วัดไม่ไกลนะักข่างก็นสองกิโลให้ลืมหมดไอตัวไทยโยะหรยแยะกขาไม่รู้เลยนรอดนโมทายะเขาให้ <laughs> ว่าไปว่าไปเนี่ยอาหารที่ติดตัวไปหมด แค่นิดในใจว่าท่านนโมตายะสุภเจ้าห้าพระองค์นี้ท่านมีความสงครัญเพราะหินนี้อ่อนอ้นั่เลยช้อนตักหินหินอ่อนเหมือนวุ่นเลย้กินได้โอ้ oh. แล้วก็มีรสอร่อยแล้วต่อมาว่านึกถึงอาจารย์ก็มาก็ลองดูว่านโมตายะเนี่ยเขาพบว่าพระเจ้าหพระองค์นี้ครบัรบครับจะสามารถทำให้เราหออได้ไหมท่าว่าท่านดีจริงเราต้องห่อได้อ๋อพอคนนิดเท่ น, นั้นก็ลอยใจมาได้กลับไปลงที่กุทิสุภาันพอดีคราบครบั่องไห ไอ้เวไนว่าท่านจะวาดนะท่านหนุมผ่านนะอาจารย์นี่ยพามาเออคุณไปภ า, าวนาไว้ยังไงบอกผมภาวนาโนมูทายะครับอาจารย์รู้สึกไอ้ผิดสีตัวครท่านก็เลยดีบอกคุณใช้ได้นะนโนมูทายะแต่ว่านั่นมันตัวเมียนะที่เห็นสอนมันตัวผู้คือโนมูทายะมีตัวผู้ตัวเมียออทีหลังท่านกลับมาภาวนานโนมูทายะจิตใจไม่แม่นคงหรือไม่มีผลตามนั้น ต้องกลับไปว่าดนโมทาแยะใหม่อันนี้ก็เหมือนกันถ้ากําลังใจเขาดีแล้วก็ใช้ตามนี้ตามเดิมจะเปลี่ยนไม่ได้อช่ไหมถ้าผลมาดีแล้วนะจะเปลี่ยนไหมครบับเกิิดเกดอันใหม่ดีกว่าอันเก่าทําไงอ่ะก็ไม่ใช่หใหม่ที่เก่าทเก่าของเขาแล้วใช่แล้วบ้าบของเก่าไม่ได้เสียไปก็อท้ายเป็ของเก่าทั้งหมดป่าวป่าวไม่ใช่ได้เวลาถวายสังฆทาน จะไปนิมนต์พระที่วัดถ้าไม่นิมนต์สมภารท่านก็โกรธแล้วจัดเจมอนสมภารก็เกรงว่าจะเป็นการเจาะจงอย่างนี้ดิฉันจะทํายังไงเจ้าคะก็ใส่บาตรหน้าบ้านอยูจบเรื่องเรไม่ต้องนิมนต์มาที่บ้านนะเพราะว่าเรายืนใส่บาตรหน้าบ้านนเป็นสังฆทานแท้อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องปฏิมนติมณพระมันยุ่งหรอกถ้าเคอนิมนต์มา เราของสุภันนะเดี๋ยวต่างคนต่างบาปใช่ไหมบาปบาไม่มีมนุ์ท่านแทงโกรธแทงโกรธบาเราเข้าเราก็เลยโกรธสุภานต่างคนต่างบรรกด้วยกันโอ้ไอ้วากยิงการใส่บาป ท, ที่เป็นสังฆทานแท้นะถ้าอุปสรรคมีแบบนั้นนะกบาปบาเราอยากทำอาหารนี่มันดียังไงก็ได้ตามใจเราชอบก็ามาเราก็ใส่บาปไปเท่านี้เองพอใช้ได้แล้วโอ้นี่นีนี่ถวายหน้าบ้านก็ได้เหรอ ถวายหน้าบ้านก็ได้ถวายหลังบ้านก็ได้ข้างซ้ายบ้านขวาบ้านได้หมดแต่ถุนบ้านก็ได้โออย่างนั้นใช่เหรอใช่เราคือฝนมันตกเรายืนได้ถึงข้ามมารับบาตรที่ได้ถึงใช่ได้เลยโเปล่าผมนึกว่าสาสังฆทานหนึ่งต้องไปถวายที่วัดหรือมากกว่ต้องลามาที่บายไม่จำเป็นไม่จําเป็นเปล่าเปอเอาแค่สบายๆนะจะไปฝึกมะโนมยิทธิที่ซอยสายลม หลายครั้งหลายหนแต่ก้มีอุปสรรคปัญหาทุกทีทุกทีอย่างนี้แสดงว่าเวรเก่าของที่ฉันยังไม่หมดหรือเจ้าคะเวรไม่มีมีแต่กรรมอ๋อไอ้กรรมนี่คือกรรมห่วงบ้านห่วงลูกบ้างห่วงหลานบ้างอ๋อก็ถ้าอย่าพูดกันกางศพศาสนาถือว่าโอกาสยังไม่ถึงอ๋อแค่นั้นเองแหะ เมือท่านราทาพรามือพ่อกระลิใช่ไหมยอยู่ในสนักพระเจ้ามาสามปีพระเจ้าเห็นว่าโอกาสที่เขายังไม่รูมรผลยังมันมีท่านก็เลยเฉย่อถึงมาละสามปีเขาเพอท น, นว่าความดีสุขงอมแล้วใช้ได้จี่นำเรียกมาสอนออเขาได้ไม่รู้มรรคผลย่าโยมที่ถามมานี่ก็เหมือนกันเข้าใจาว่าคำที่เปลโกรุณเดิมบางอย่างมันริตรอนอยู่ยิ่งทาให้ไม่ว่าง ถ้าว่างมา่อไรได้มา น, นั้นแหละดิฉันเห็นพระวิสุทธิเทพที่หลวงพ่อสร้างวัดพ่าตรงมีใส่ฉดงชดาด้วยมโนถึงว่าผู้หมดกิเลสแล้วน่าจะไม่มีเครื่องประดับประดาพัดทรงสมใส่ความคิดอของดิฉันอย่างนี้จะผิดหรือถูกเจ้าคะอะความคิดนีถูกแต่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ทำไมเป็นงั้นนะครับคิดแต่ไม่ต้องทูกแต่ว่าแปลกใจอย่างนึงว่าทําไมไอ้แชาดายด้วยฉันรู้จักช ด, ดงมันเป็นยังไงโอ้แช ด, ดงนะแต่ความจริงเรื่องการหมดกิเลสมไม่เกี่ยวเครื่องประดับใช่ไหมเพศตามความเป็นจริงนู้เทวดาก็ดีพงศ์ก็ดีฤกษ์พระอริยเจ้าที่ปฏิภาณก็ดีเขามีภาพปกติเขาเป็นอย่างนั้น เพราะว่าเราเวทีท่านเราก็มีกิเลสมากเกินไปต้องหาความจริงให้พบต้องไปนิกพันให้ได้เึื้ก่อนแ ล, ล้วเรายิงทราบความเป็นจริงว่าทำไมต้องมีชดาด้วยเอาแค่นี้นะทำไมพระเจนเทศไม่เหมือนกันเจ้าคะเรื่องวันมาคบูชาวัดนนบอกว่าภิกษุชุมนุมพันสองร้อยห้าสิบลูก วัดนี้บอกว่าสองพันห้าร้อยลูกไม่รู้ว่าจะเชื่อวัดไหนดีเจ้าข่าวจะเป็นหวยเชื่อโดยสองวัดจะแหละมาออกทางล่างข้างบนได้งานได้งานเจ้าล็อกแล้วเหลือเจ็ดนาทีรีบรัดจ่าความสาวยอะดอ่าคุยอย่างนี้ครับเอาอีกเจ็ดนาทีอีกจะพอแล้วก็ เขาอย่างนี้หลวงพ่อวันนี้เขาถวายรถหลวงพ่อใช่หมใช่ผมก็ซื้อรถมาถวายร่อมกันแต่ยังไม่ได้บอกหลวงพ่อสาบให้จ่าก็ไปเก็บแล้วเรื่องอะไรรถคันใหญ่ไม่รถที่ผมไหวกี่ลำรับเข็นข้าวใส่ข้าวใส่ของก็เข็นมันมีสามล้อ ไอ้นั่นไม่ใช่ก็เป็นสังฆทานดีพราะพระเขาเป็นบารต้องใช้รถแบบนั้นลากอยู่เสมอไอ้รถเข็นไปโอ้ตบรายการนี้สองได้ว่าเขาเอาไปใช้เป็นทุกของแม่บ้านสก่อสร้างก็เป็นสังาทานด้วยอันนี้สง่ายมากนะมันจะเล็กน้อยนะโอ้เอ้รถรถของผมก็เข้าท่าวันนี้นะก็ไม่ใช่เข้าท่าเข้าที่ไอ้เข้าท่ามันเรือโอ รีจ้าขอลงจอดท่านะไอ้รถึงเข้าที่ไปจอดที่ท่าไม่ได้ออท่าไม่ใช่ที่ที่ไม่ใช่ท่านะครับอยังยังจะได้หรือเปล่าคุณเดี๋ยวเวลาเรียนน้าถ้วยอ่าคือคืออย่างนี้ครับมีมีคนเขาจะถวายเป็นแบบร่วมอะไรอะไรทานทานอะไรที่ว่าเทศทับอะไรเงี้ยเออได้ร่วมมโนนาเป็นอะไรนะเป็นธรรมทานอะไรธรรมทานธรรมทานนะใช่ แล้วก็หลวงพ่อก็ไปจัดการใช้นี่ใช้ศิลก็ศิลไม่ต้องใช้เทวดา ก, กนใช้แ น, นี่ขาดกลดข า, ขาตกๆกลงก็ได้นะฮ ะ, ะสัพพทานางธรรมทานางที่นาติ ก, การใช้นี่หลวงพ่อเป็นมหากุศลอย่างยิ่งไม่ถู ก, ใ ห, ถกนะให้ถูกนะให้ถูกแล้วไม่มีใครเป็นนี่ฉัน สับว่าทานนางทำมันนงทำมันทอนนางกินนาติการให้านในหนาทาเป็นทานยนต์ทนของปวงอ๋อสงสัยจะบาลีพลวัตนะพลัเนี่ยสลับ้วาดมาฆาตสี่ว่าท่าซุงก็คยมบาทหน่อยได้ไหอ ะ, อ, อะไรอะไรเขาเลยเเลยเปใ่ ใ, ใหญ่่แล้วก็ออกส า, สามเลนสี่เลนเลยจะได้ไหวผมเข้าเลนกลางกันแล้วกันนะถ้าใโยมใจไม่ถึงด้วยเจ้าแต่ไหวคามก็แล้วท่าน ถ้ามาที่เรียนเทียานายขาเทียนด้วยก็ดีนะรวยกดีโศขึเก็บก็ได้ตามใจชอบ้าพระเจ้ะ